ถ้าต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนจังใจทำความสงบทำสมาธิเพื่อให้เป็นทบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ <c oughs> ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราต้องใช้ความอดทน จิตใจมั่นคงทำสมาธิเนีย่ยในเบื้องต้นนี้แม <c oughs> ว่าตามอัตมาทุกคน <c oughs> ข้าพระเจ้า <c oughs> และเลืกถึง <c oughs> คุณพระพุทธเจ้า <c oughs> คุณพระธรรม <c oughs> คุณพระสงฆ์ <c oughs> คุณบิจามานดา <c oughs> คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบรรด า, า, ดดาให้ใจของข้าพเจ้ า, าจงรวมลงเป็นสมาธิธาธพุทโธธรรมสังคโฆพุทโธธรรมโมสังคโฆพุทโธธรรมสังคโฆ พุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาหนายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจทําร่างกายของเราให้สบายทําใจของเราให้สบาย ปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือแต่ใจดวงเดียวเพื่อที่จะให้ใจนี้เป็นฐานคือเป็นฐานรองรับซึ่งสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นคือความสงบและเป็นพลังอันหนึ่งถ้าใจของเรานั้นเป็นฐานที่ไม่ดี เมื่อใจเป็นฐานไม่ดีสมาธิจะเกิดความล้มเหลวต้องอาศัยฐานของใจฐานของใจนั้นเราจะต้องวางหาระทุระหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนี่เป็นประการสำคัญที่เราต้องตั้งใจว่าเวลานี้ไม่มีอะไรมีแต่ใจดวงเดียวเราต้องคิดว่า เหมือนกับเราตายไปแล้วมันก็มีใจดวงเดียวที่เราเห็นร่างกายอยู่เวลานี้เพราะเราลืมตาเราก็เห็นถ้าเราหลับตาซะมันก็ไม่เห็นร่างกายอันนี้มันก็เหลือแต่ใจใจที่เราเห็นเหลือแต่ใจนั่นแหละอันนี้แหละที่เราจะต้องนำไปละ่ะจะไปเกิดที่ใดจะไปไหน ในเมื่อร่างกายนี้ทนไม่ไหวคือชลาภาพแตกสลายแล้วใจอันนี้ก็จะออกจากร่างเมื่อใจออกจากร่างไปแล้วใจอันนี้ก็จะมีสิ่งต่างๆอะไรที่เราได้ทำเอาไว้ก็จะรวบรวมเป็นพละกําลังเดินทางต่อไปถือว่าในขณะนี้ เราเดินทางมาแวะเยี่ยมโลกนี้ชั่วระยะหนึ่งคือเราเดินทางมาแวะเมื่อเราเดินทางมาแวะแต่เราก็มาพบของดีคือพระพุทธศาสนาและก็ได้มาพบการปฏิบัติในทางใจก็เรียกว่าเป็นโชคดีที่เราแวะมาถือว่าเราแวะมาครั้งหนึ่งและเราก็จะจับ สถานที่แห่งนี้ไปเหมือนกันกับเราเดินทางไปแวะชนบุรีเมื่อแวะสักระยะหนึ่งเราก็เดินทางต่อชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันเดินทางมาแวะมนุษย์โลกอยู่พักหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะเข้าใจและว่าอันร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างได มันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่หรือมันเปลียนเป็นเพียงวัตถุอันหนึ่งของโลกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็คือวัตถุของโลกอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เดินทางมาแล้วครบแล้วซึ่งความดีอันมีในโลกอันนี้หรือเรียกว่ามีในพระพุทธศาสนาก็เป็นหน้าที่ที่เราจะทํา เราจะทำให้แก่เราเราไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเราไม่ต้องไปคิดถึงใครเราคิดถึงตัวเรานั่นแหละสำคัญเมื่อเราแวะมาเราก็มาพบสิ่งต่างๆเป็นต้นว่ามีครอบครัวสามีภระยามีลูกหลานมีทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พลอยได้ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งเรามีสามีเรามีภรรยาก็เรียกว่าชั่วระยะหนึ่งมีลูกหลานก็ชั่วระยะหนึ่งมีทรัพย์สมบัติก็ชั่วระยะหนึ่งมันเป็นเพียงระยะเดียวในการที่เรามาพบสิ่งเหล่านี้นั้นก็เรียกว่าเราได้มาพบโลโลกคือโลกที่มันกำลังหมุนไป เรียกว่าหมุนเวียนโลกมันกําลังหมุนไปเช่นนี้แต่ว่าในระยะหรือในขณะเดียวกันนั้นสิ่งที่เราได้พบนั้นมันก็เป็นเพียงผ่านหรือเรียกว่าทางผ่านจะเป็นสามีก็ทางผ่านจะเป็นภรยาก็ทางผ่านเป็นลูกหลานก็ทางผ่านหรือเป็นทรัพย์สินสมบัติก็เรียกว่าทางผ่านทั้งนั้น เมื่อเรามาพิจารณาได้อย่างนี้จิตใจของเราก็จะเกิดความปล่อยวางความปล่อยวางเมื่อเกิดความปล่อยวางขึ้นมาแล้วนี่มันจะเกิดฐานเรียกว่าฐานกำลังถ้าเรามีฐานกำลังดีสมาธิที่จะมาเกิดขึ้นกับเรานี่มันก็เป็นเนื้อเป็นน้ำรเรียกว่าได้ชินได้อันได ประโยชน์มากแต่ถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้เราไม่ยอมที่จะเชื่อว่าเป็นทางผ่านเราเชื่อว่ามันเป็นตัวตนและมันเป็นของเราจริงๆอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าฐานกําลังของเราอ่อนแอเพราะว่าถูกอุปทานนี่มาแบ่งเอาไปเยอะอุปทาน ทางบ้านอุปทานทางทรัพย์จมบัตรอุปทานทางเพื่อนอุปทานทางกิจการงานหน้าที่สารพัดอุปทานเหล่านี้มันจะมายึดไว้ในดวงจิตเมื่อมันมายึดไว้ในดวงจิตแล้วดวงจิตนี้มันเกิดความ mm hmm. เกิดความอ่อนกำลังคนเรานี่ถ้ามีอะไรมาถ่วงมันก็เกิดความอ่อนกำลัง แทนที่เราจะใช้กําลังได้ร้อยมันก็ใช้กําลังได้สิบเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆมาถ่วงเอาไว้เช่นอย่างเราจะยกของหนักแต่ในตัวของเรากับหนักมีอะไรอยู่ในตัวหนักไปหมดอย่างนี้เราจะไปยกของหนักเราก็ยกได้นิดเดียวแต่ถ้าตัวของเราเบาไม่มีอะไรเลยเราก็แบกผสสารได้เป็นประสอบ แต่ถ้ามันมีอะไรหนักๆอยู่ในตัวของเรามีรองเท้าหนักมีอะไรที่อยู่ในมือถือหนักๆสิ่งใดที่มันมัดเอวมัดตัวอย่างนี้มันหนักเราจะไปยกเข่าสักขึ้นกระสอบมันก็ยังยกไม่ไหวเพราะว่ามันถูกมัดไปหลายอย่างหรือมันถูกถ่วงไปหลายอย่างอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกันกันกบใจของเราที่เรากําลังจะทําสมาธิ จึงจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เรายึดไว้นั้นให้มันหมดไปถึงไม่หมดก็ปล่อยวางให้มันเป็นส่วนมากปล่อยออกไปให้ไปเป็นส่วนมากมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะยกน้ำหนักได้เยอะหรือสามารถที่จะสร้างสมาธิของเราขึ้นมาได้มากเพราะฉะนั้นในอุบายขั้นต้นนี้ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงได้แนะเช่นอย่างที่พระองค์ทรงแนะแกะ่ผู้ที่จะมาบวชนะอุปชาท่านสั่งให้อุปชาแนะผู้ที่จะเข้ามาบวชเริ่มตั้งแต่เป็นสามเณรท่านก็บอกเกสาโลมานัคขาธันตาตะโจบอกให้บอกกรรมฐานห้าเป็นอย่างน้อยกรรมฐานห้าท่านบอกไปทําไม กรรมฐานหนั้นท่านบอกเพื่อที่จะให้ละอุปทานนั่นเองและท่านก็แนะนําบอกว่าให้พิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยสีเหมือนกับผมของคนเหล่านี้ในเบื้องต้นก็นดํำสนิทพอแก่แล้วก็งอกขาวไปร่วงหล่นไปน่าเกลียดโดยสันฐานนั้นคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อนหนุ่มสาวอยู่เนื้อหนังก็แขง็งตึง ร่างกายก็กรงดีแต่พอแก่ลงไปแล้วเนื้อก็เหี่ยวหนังก็ยานแก้งก็ตอบทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนลภาพลงไปดูไม่ได้นี่โดยสันฐานโดยที่เกิดท่านก็บอกว่าเราเกิดมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นสิ่งศกระ์สโดยกลิ่นร่างกายของคนเรานี้ก็มีกลิ่นเหม็น เมื่อไม่ชำระร่างขัดสีไม่กี่วันก็เข้าใกลใครไม่ได้น้ำลายบ้วนออกไปแล้วเอากลับคืนมาอีกไม่ได้ผ้าพันทเทอามานุ่ง ม, มาผมนี่ไม่ซักก็เหม็นสาบแต่เอาไปวางไว้เฉยๆปีหนึ่งไม่ซักก็ไม่เป็นไรแต่เอามาสวมใส่ร่างกายไม่ซักแล้วมันก็เหม็นสาบเรียกว่าใส่ไม่ไหวละเหม็นหนักเข้าเลยเป็นอย่างนั้น นี่อุปชัยยะจะบอกให้แก่กุณระบุตรผู้าเข้ามาบวชอุปชัยยะไม่บอกไม่ได้เพราะพุทธเจ้าบัญญัติบัญญัติเอาไว้ให้เพื่อให้อุปชัยยะนี่บอกแกผู้ที่เข้ามาบวชทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะวางฐานวางรากฐานในการที่จะถ่ายถอนอุปทานและอีกประการหนึ่งพระองค์ก็ทรงแสดง เพื่อให้พวกเราทั้งหลายพิจารณาว่าอันร่างกายอันนี้อันนี้จังไม่เทีย่ยงทุกขรังเป็นทุกอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนให้พิจารณาถึงไจรักก็เพื่อที่จะแคจัดอุปทานต่างๆเหล่านี้เองเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่ต้องถือว่าใครเป็นใครแม้กระทั่งตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสามีพันยาลูกหลานทรัพย์สินสมบัติมันก็ไม่ใช่ของเราทั้งสิน้นอันนี้พระพุทธเจ้าแนะไว้เพื่อที่จะให้จิตนี้มันปล่อยวางในการที่เราจะทำสมาธิในขั้นต้นนั้นเราทำอย่างไรเราจะปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางได้นะนั่นแหละเราจะมีรากฐานสามารถที่จะรองรับสมาธิ สมาธิเราก็เปรียบกันง่ายๆเหมือนกันกับน้ำสมาธิที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยมันเปรียบกันเหมือนกันกับน้ำน้ำที่มันจะแทรกซึมเท็กมันจะกักขังน้ำไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็สุดแล้วแต่พาชนะพาชนะนั้นถ้ารั่วมันก็กักไม่อยู่ถ้าหากว่ามันเล้ามันก็ซึมถ้าหากว่า เนื้อของภาชนะไม่ดีมันก็ซึมหรือภาชนะมันแทนที่มันจงังไหแต่มันควน่ำซะน้ามันก็เข้าไม่ได้แล้วภาชนะนั้นจะต้องเป็นภาชนะที่ดีแล้วภาชนะนั้นก็จะต้องเป็นภาชนะที่ไม่ซึมและเป็นภาชนะที่สามารถรองรับน้ำได้ไม่รั่วแะเรียกว่าเป็นภาชนะเต็ม เมื่อเป็นเช่นนั้นภาชนะอันนี้ก็คือใจใจของเรานั้นสามารถจะรองรับสมาธิได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อใจของเรามีฐานรับรองได้เยอะสมาธิหลั่งไหลเข้ามาก็เก็บไว้ได้หมดในที่สุดก็เกิดพระกําลังขึ้นม า, าเรียกว่าการวางรากฐานในเบื้องต้นการวางรากฐานในเบื้องต้นนั้น ใครถือว่าไม่สําคัญนะ่ะก็ไม่จริงต้องมีความสําคัญเหมือน ก, นกันกับคนที่จะไปเรียนหนังสือจะไปเรียนเอาทีเดียวอผสมตัวเลยอ่านไปได้เหมือนกันนะ่ะแต่มันไม่มั่นคงเดี๋ยวมันก็ลืมได้แต่ผู้ที่เรียนนะตั้งแต่เบื้องต้นนั้นวางรากฐานไว้ดีก ข, ข, ขกาอะไรว่ากันมา ผสมสละในที่สุดพอเขาอ่านออกเขียนได้มันก็มั่นคงไม่ไม่เลอะเลือนชั้นใดก็ดีการสร้างสมาธิขึ้นให้แก่ที่เราทำใจของเราให้เป็นฐานรับรองสมาธิในเบื้องต้นนั้นก็คือการกระทำที่มีความพยายามแก้ไขเมื่อทำทีไร เราก็หาทางแก้ไขให้อารมณ์มันหมดไปอารมณ์มันหมดไปด้วยวิธีไหนได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นวิธีการที่จะทำให้อารมณ์หมดไปนั้นบางคนก็มีนิสัยต่างกันบางคนก็อยู่เฉยเฉยก็รวมได้บางคนต้องคิดแล้วคิดอีกจริงจะรวมได้บางคนต้องใช้อุบายแข็งแข็งกร้าถึงจะรวมได้ มันก็เป็นหลายอย่างด้วยกันแต่ว่าในที่สุดถึงที่สุดนั้นอยู่ที่ตรงที่ว่าเมื่อทำจิตเป็นสมาธิได้แล้วก็ใช้ได้เขาจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามแต่การที่จะฝึกสมาธิหรือฝึกจิตขึ้นมาด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ในที่สุดถึงที่สุดนั้นจุดประสงค์ก็คือความเป็นหนึ่งของจิตเมื่อเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมาแล้ว คราวนี้เราก็จะต้องรักษาความเป็นนึ่งอันนี้ไว้ก็หมายความว่าเราจะต้องพยายามนั่งสมาธิต่อไปอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อสมาธิต่อไปเป็นครั้งที่สองก็ครั้งที่สี่ค ร, สครั้งที่แปดครั้งที่สิบครั้งที่ร้อยอะไรก็ว่าไปเมื่อเราดาเนินจิตเป็นครั้งที่หนึ่ง จิตเป็นมีกำลังเป็นหนึ่งได้ครั้งที่สองมันเป็นได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรครั้งที่สามที่สี่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไม่เป็นไรครั้งที่ห้าที่หกเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาใหม่เพราะมันเป็นขึ้นมาอีกมันก็จะค่อยอ่อนๆตัวของมันลงไปพอมันอ่อนตัวของมันลงไปแล้วมันก็ครั้งต่อไปมันก็อ่อนลงไปอีกแต่แต่อีกไม่ช้ามันก็เป็นขึ้นมาใหม่ นั้นตามปกติของการทำสมาธิมันก็เป็นอย่างนั้นคือบางคนคิดว่าเราจะทำให้มันได้ดีทุกคร้งไปนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างรวมบ้างไม่รวมบ้างเป็นสมาธิบ้างไม่เป็นบ้างในแต่ละการทำทุกลงทุกลงไปบางคนที่ทำได้สำเร็จคือผู้ที่สำเร็จ ไปในสมาธิชั้นสูงแล้วนั่นอันนั้นทาได้ทุกครั้งทําเมื่อไหร่มันก็สงบเมื่อนั้นอันนั้นเรียกว่าสมาธิชั้นสูงแต่สมาธิชั้นต่ำเนี่จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปของนันดีบัง่งเกยบัง่งเกยบัง่งดีบัง่งจีนี้ข้อสำคัญที่สุดเราจะไปร้อนใจผู้ปฏิบัตินี่อย่าไปร้อนใจอย่าไปร้อนใจว่า แย่ yeah, ทำไมที่ก่อนมันดีทำไมมาทีนี้มันแกไปซะอีกแล้วฉันนี่ไม่มีบุญไม่มีวาสนาซะแล้วเลยยังไงตีตัวตีตนไปตีตนตายก่อนใครอย่างนี้มันไม่ถูกต้องที่จริงแล้วนั่นการทำสมาธินั่นถึงแม้จะดีหรือจะไม่ดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ปกติของมัน แล้วทำไมลรคนที่ฝึกจิตดีแล้วมันถึงดีได้ตลอดอันนั้นไปพูดไม่ได้คนที่เขาดีแล้วมันต้องดีตลอดแต่ส่วนผู้ที่ฝึกใหม่นั้นหรือที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นมันก็จะต้องเข้าๆออกๆหออรือว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างดีบ้างแก่บ้างอันนี้เราอย่าไปเสียใจหรือว่าอย่าไปร้อนใจหรือว่าอย่าไปทำจิตใจให้มันเคร่งเครียด แกับสิ่งเหล่านี้เรามีหน้าที่ทําเราก็ทำํำคือเรามีหน้าที่ทําเราทําของเราไปมีหน้าที่ทําเราก็ทําของเราไปเท่านั้นเองก็เหมือนกันกับผู้ที่เรียนหนังสือมีหน้าที่จับปากกาดินสอขีดลงไปก็ขีดขีดผิดบ้างขีดถูกบ้างมันก็เป็นเรื่องของเราใครจะไปขีดถูกหมดนั้นไม่ได้ล็อกในเบื้องต้นน่ะ มันจะต้องผิดด้วยกันทุกคนไม่มีใครจะมาถูกก่อนนะถูกก่อนหรือว่ารู้ก่อนเรียนอย่างงี้มันไม่ได้มันจะไปตายก่อนเกิดมันไม่ได้ยังไม่ทันเกิดขึ้นมาเลยตายแล้วไออย่างนั้นมันก็พูดผิดคนที่เรียนนั่นจาเป็นจะต้องเขียนผิดเขียนถูกเขียนถูกเขียนผิดเขียนผิดเขียนถูกไปเรื่อยของมันไปแหละแล้วก็ไม่ว่าอะไรถึงแม้เราจะลงโทษนักเรียนที่มันเขียนผิด ตัวนี้นิดหน่อยๆเพื่อให้มัน เ, เรียนได้ดีกว่าเก่าแต่ในที่สุดถึงที่สุดนั้นถ้าเราไม่เขียนถ้าบุคคลที่ไม่เขียนให้ผิดซะก่อนมันก็ถูกไม่ได้ถ้าไม่เริ่มเรียนซะก่อนมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราทําจิตของเรามันจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ช่างมันเรามีหน้าที่ทําเราทําไปนักเรียนเหมือนกับนักเรียนอย่างเงี้ย มีหน้าที่เรียนก็เรียนไปือแต่ทีนี้พอมันไปจบมัธยมเข้าแล้วเนี่ยจะให้มันโง่อีกก็ไม่ได้มันอยากเขียนเมา่อไรมันก็เขียนได้มันอยากจะอ่านเมื่อไรมันก็อ่านได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาผิดมาถูกผิดด้วยเหมือนกันกับสมาธินั่นแหละพอเข้าขั้นจะเรียกว่าสมาธิชั้นสูงที่เที่ยวนั้นเมื่ออยากจะเข้าจิตเมื่อไรมันก็ไม่ยากเข้ามาไรก็ได้เมานั่น มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือการที่ทําจิตไปถึงขั้นจิตที่ยังไม่ทันถึงขั้นเราก็อย่าพึ่งไปคิดว่าเราถึงขั้นถ้าเราคิดว่าเราถึงขั้นแล้วมันก็เหลือแต่สัญญามันก็เหลือแต่สิ่งที่เรียกเขาเรียกว่าฟุงา้งซ่านคิดอยากจะขมคนอื่นด้วยการที่เรามีสมาธิสูงทั้งๆ ท, ที่ตัวก็ไม่สูงอย่างนี้ บางทีเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ไม่มีความรู้ความสามารถพอแล้วก็เลยแนะนำกันไปงูงูปลาปลาก็เลยพากันต่างคนต่างก็พากันคลาไม่เข้าใจข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นจงพากันเข้าใจข้อเท็จจริงเสว่าในเบื้องต้นนี้ถูกผิดผิดเราไม่ได้ถือกันและตัวเองก็ไม่ควรจะร้อนใจมันก็มีสัก ทีหนึ่งหรือว่าระยะหนึ่งหรือครั้งหนึ่งที่มันจะถึงแก่ความสำเร็จการทำสมาธินั่นทำไปเรื่อยๆก็เรียกว่าชั่วโมงอย่างว่าร้อยชั่วโมงสองรอยชั่วโมงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวว่ากี่ร้อยชั่วโมงเราก็ทำกันไปทีเดียวทำกันไปเป็นร้อยร้อยชั่วโมงในที่สุดมันก็จะต้องถึงความสำเร็จเป็นสมาธิชั้นสูง ที่นี้เมื่อมากล่าวถึงสมาธิชั้นสูงนั่นก็คือสมาธิที่มาจากชั้นต่ำนั่นเองแล้วมันก็ขึ้นมาชั้นสูงแต่มันขึ้นมาได้อย่างไรเราลองไปถามนักเรียนดูซิว่าพวกแกนี่มันขึ้นชั้นมัธยมมาได้ยังไงเราถามก็จะได้รับคำตอบว่าฉันก็เรียนของฉันไปเรื่อยๆเนี่ยที่สุดก็สอบไปที่สุดก็สอบไปฉันก็ขึ้นมัธยมมาฉันก็เรียนของันไปเรื่อย นี่เป็นคำตอบสมาธิก็เช่นเดียวกันการที่จะถึงสมาธิชั้นสูงได้ฉันก็ทําสมาธิของฉันไปเรื่อยๆโดยที่ฉันไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากก็เหมือนเหมือนกันกับที่คนอื่นเขาทาเหมือนกันกับนักเรียนที่เรียนหนังสืออนักเรียนคนอื่นเขาก็ไปนักเรียนคนอื่นเขาก็เรียนนักเรียนคนอื่นเขาก็จบฉันก็จบเหมือนกันก็เหมือนกันนั่นแหละ ที่เรามาทําจิตวันนี้มันก็สงบพรุ่งนี้นก็สงบในวันอื่นมันไม่สงบมันก็เรื่องของจิตเวลาที่เขาไปทําเลขผิดนักเรียนเวลาที่เขาไปเขียนหนังสือผิดนักเรียนก็ไม่ใช่ว่าเมื่อผิดแล้วจะต้องออกจากโรงเรียนหรือเรียกว่าไล่หนีทิ้งไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นความผิดนั่นแหละมันเป็นต้นแห่งความถูกสมาธิก็เช่นเดียวกันทีนี้เมื่อมาถึงสมาธิชั้นสูงนั้น ก็คือสมาธิที่เข้าไปสู่พระวังจิตเข้าสู่พระวังเมื่อจิตเข้าสู่พระวังแล้วนะั่นมันจะเกิดความเคลิมหรือเกิดความไม่รู้สึกตัวขึ้นในพระวังนั้นถ้าหากว่าจิตมันเข้าไปถึงขั้นที่จิตเข้าไปสู่พระวังแล้วเราไม่รู้ตัวก็ยังถือว่ายังไม่เข้าขั้น คือสมาธินั้นยังไม่เข้าขัน้นแต่ถ้าหากว่าเมื่อเวลาจิตเข้าพระวังไปแล้วเรายังรู้ตัวว่าเราอยู่ในพระวังอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตเข้าขัน้นคือเรามาพูดกันถึงว่าเราไม่ต้องไปพูดว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิปถมฌานทุติยฌานารูปฌานอารูปฌานเราไม่พูดถึงละเรามาพูดตามความเป็นจริงกันเลย ความตามความเป็นจริงก็จิตเมื่อเข้าผวังไปแล้วนั่นเราก็ไปรู้อยู่ในผวังนั่นแหละเรียกว่าเกิดความชำนานเขาเกิดความชำนานขึ้นความชำนานนั่นเกิดขึ้นมาจากความที่บุคคลคนนั้นทำหลายสิบหลายร้อยครั้งถึงจะเกิดความชำนานเหมือนกันกับคนจะขับรถนี่มันชำนานมันเคยแล้ว อืจับพวงมาลัยนิดหนึ่งรถก็วิ่งไปแล้วแต่คนไม่เคยก็หักซ้ายหักขวาเดี๋ยวก็วุ่นวายใหญ่อันนั้นเรียกว่าไม่ชานานแต่คนที่เขาชํานานนะี่ยเขาขับมาแล้วนานเท่าไหรกี่ร้อยชั่วโมงมันก็ตั้งเยอะเหมือนกันกับผูท้ที่จิตที่มันจะเข้าไปสู่ผวังเนี่ยจิตที่จะเข้าไปสู่ผวังนี่มันต้องเกิดความชํานาญขึ้นจิตเข้าไปสู่ผวังนั่นคือเพราะ จิตเราไปเริ่มึกความสบายเฉยแต่ว่าถ้าหากว่าเฉยนั้นนิดไปเลยเรียกว่าไม่รู้ตัวเลยอันนั้นเรียกว่าเข้าไปแล้วไม่รู้สึกแล้วอันนั้นเรียกว่าไม่มีสติแต่ถ้าหากว่าไปอยู่สบายเราก็รู้ว่าเราสบายนั่นแหละเรียกว่าเรารู้ตัวแหมทำไมมันสบายนักนี่เราก็รู้ตัวแล้วเมื่อเรารู้ตัวอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าเริ่มจะเกิดความชํานาญ เพราะฉะนั้นในการชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกและชำนาญในการตั้งอยู่มีความชำนาญอยู่สามชำนาญชำนาญในการเข้าเมื่อเวลาที่เราจะให้จิตมันเข้าพวังนี่เรากำหนดชั่ววินาทีมันก็เข้าแล้วและทีนี้เราจะให้มันตั้งอยู่ในพอวังนั้นนานสักเท่าไหร่เราก็ตั้งอยู่ได้อยู่ในนั้นให้มันสบายอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วเมื่อไรเราจะออกคือเรียกว่าเลิกสบายะอ่วเราจะให้จิตนี้มันออกจากรวังนั้นเมื่อไรก็ได้อย่างนี้เรีย ก, กว่าไม่เกิดความชํานาญถ้าเกิดความชํานาญอย่างนี้แล้วเขาเรีย ก, กว่าจิตนั้นน่ะได้รวบรวมพละกําลังไว้เยอะแล้วจิตที่รวบรวมพละกําลังไว้เยอะมากแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่เรีย ก, กว่ามีกําลังหรือว่า มีสิ่งต่างๆรวบรวมอยู่ในจิตนั้นคือสิ่งที่เป็นคุณ่ะรวบรวมอยู่ในจิตนั้นมหาศาลคือเก็บเอาไว้ทีนี้เมื่อรวบรวมไว้ในจิตอนั้นมากมายแล้วก็เท่ากันกับว่าคนที่เขามีเงินมีเงินเยอะๆแล้วก็เก็บเอาไว้ในธนาคารหรือเก็บไว้ที่ใดเมื่อเก็บไว้แล้วเขาต้องการจะเอามาใช้นั่น มันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยไม่ได้ยากเลยสักนิดเดียวเมีเงินอยู่แล้วต้องการวันนี้ฉันจะต้องการบ้านหลังหนึ่งเอาเงินไปในระมิดเลยวันนี้ฉันจะต้องการรถตะคันหนึ่งเอาเงินไปในระมิดเลยวันนี้ฉันอยากจะได้สี่หน้าที่สวนเอาเงินไปในระมิดเท่าเลยฉันก็ได้ขึ้นมาอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบ เหมือนกันกันกบผู้ที่จิตมีความชํานาญในการเข้ามีความชํานาญในการออกมีความชํานาญในการตั้งอยู่ถ้ามีความชํานาญอย่างนี้แล้วถือว่าเขาพูดนั้นมีเงินเยอะแล้วก็เรียวกว่ามีกำลังมากแล้วมีพะละกกำลังมากแล้วมีเงินเยอะก็จะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่ทีนี้บางคนมีเงินเยอะเอาไปทาผิด เช่นอย่างมีเงินเยอะก็เอาไปจ้างฆ่าคนซะมีเงินเยอะก็เอาไปซื้อเอเมียคนอื่นลูกที่เขาไม่ต้องการให้อย่างนี้หรือไปซื้ออในสิ่งที่ข่มเหงนั้นใจคนอื่นไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าทําไม่ถูกต้องเมื่อทําไม่ไมถูกต้องแล้วไอ้เงินแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกลับเป็นโทษกระพุ่ น, นั้นต่อไปอีกอันนี้ พูดมานี้ก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าจิตเนี่ยเมื่อมันเกิดความชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่แล้วเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่าพลังมหาศาลอยู่ข้างในนั่นเหมือนกับคนที่มีเงินนั่นแหละทีนี้เอาไปทำในทางที่ผิดเอาไปทำในทางที่ผิดก็เอาไปดูหมอดูซะอย่างนี้หรือว่าเอาไปอยู่ให้มันสบายเฉยๆซะ อย่างนี้หรือว่าเอาไปทำคือเอาไปดูสิ่งที่มันนอกรีดนอกร้อยเรียวกว่าไปทำนอกรีดนอกร้อยมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์แทนที่จะเป็นผลประโยชน์มันก็ทำให้เป็นโทษกับคนนั้นบ้างทำให้เป็นโทษกับคนนี้บ้างหนักหนาแต่ทีนี้คนที่เขามีเงินเนี่ยเขาเก็บเอาไว้ ให้ความสุขในครอบครัวให้ความสุขในลูกหลานแต่งปันให้ลูกหลานให้ความสุขด้วยการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยสุขสบายมีสิ่งที่ต้องการมอาีอาหารบริโภคพอเพียงอะไรอย่างนี้เรียกว่าเราใช้เงินในทางที่ถูกต้องเมื่อหันมาเปรียบเทียบถึงเรื่องสมาธิก็คือ เมื่อเกิดพลังอันนี้แล้วก็นำไปพิจารณาให้เป็นวิปั ส, สนาอันนี้ก็เรียกว่าถูกล้องเพราะว่าพลังของจิตนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายนะักที่คนจะเก็บพลังมาได้ถึงขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันที่คนเราจะเก็บเงินไว้เป็นล้านอ่าหลายสิบล้านอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะักบางทีชาติหนึ่งมันก็หาไม่ได้ จะไปเอาเงินไปฝากไว้เท่านั้นแล้วก็จะไปมีที่ทางมีสิ่งที่อำนวยความสุขใก้แก่ตนมันก็ยากชั้นใดก็ดีเปรียบเหมือนกับสมาธิที่จะมีความชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ช่งไงคนเราทำบางทีตลอดชีวิตมันก็ทำไม่ถึง แต่ถ้าหากว่าทาถึงแล้วนะเราก็ควรที่จะต้องอย่าไปใช้ในทางที่ปิดเราต้องใช้วิปัสนาเราต้องดำเนินให้เป็นวิปัสนาแล้วดำเนินวิปัสนานั้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าได้ทรงตรัสไว้ด้วยสติปัฏฐานสติปัฏฐานตรีนั่นแนะความจริงก็คือวิปัสนาณ์เอง สติปัฏฐานสี่นั่นข้อที่หนึ่งอะไรกายานุปัสนาสติปัฏฐานข้อที่สองเวทานานุปัสนาสติปัฏฐานข้อที่สามจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานข้อที่สี่ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เอากายขึ้นต้นเพราะฉะนั้น เมื่อพระกำลังของจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ากระแสจิตบังเกิดขึ้นเมื่อกระแสจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาให้เป็นวิปัสนาคือพิจารณากายเทว่ามหาสติปัฏฐานสี่นั้นมีกายเป็นต้นก็พิจารณากายการพิจารณากายนั้น<ม>เราก็ ตั้งกายนี้ไว้ข้างหน้าของเราแล้วเราใช้จิตนี่้แ่งออกไปเห็นหรือไม่เห็นน um> uh ั่นแหละเรียกว่ากระแสจิตเกิดแล้วถ้าไม่เห็นก็เรียกว่ากระแสจิตยังไม่เกิดเมื่อเห็นแล้วจะทำยังไงต่อไปพระพุทธเจ้าแนะนําก็บอกว่าให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุสีดินน้ําไฟลนธาตุสีด <oh ินน้ําไฟลมเรียกว่า เป็นธาตุให้เห็นเป็นธาตุเห็นไหมไม่เห็นเห็นเหมือนกันแต่ว่าให้เป็นธาตุไม่ได้แต่เมื่อเห็นเป็นธาตุได้นี่เป็นธาตุจริงๆนันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เห็นสิ่งนั้นก็คือนิพิทยานนี่คือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่ว่าการที่เราจะเอาเจิตไปพิจารณากายนั้น ท่านห้ามไม่ให้พิจารณาตลอดนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งพิจารณาทั้งชั่วโมงไม่ได้หรือว่าเราจะพิจารณาเรื่อยๆมากเกินไปก็ไม่ได้นพิจารณาพอดีก็หมายความว่าเมื่อเรานั่งสมาธิสักชั่วโมงเราพิจารณาสักสิบนาทีก็ถือว่าพอดีหรือมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเมื่อพิจารณาไปแล้วเห็นร่างกายอันนี้เป็นกระดูกเป็นกระโหลกศีรษะเป็นเนื้อเป็นหนังที่แตกกระจัดกระจายไปนั้นที่เห็นแตกกระจัดกระจายไปนั้นเราก็ละลายทิ้งไปเสร็จแล้วเราก็กลับคืนมาตั้งอยู่ที่จิตการมาตั้งอยู่ที่จิตนั้นคือมาตั้งอยู่ที่ผู้รู้ ก็หมายความว่าต้องทวนกระแสจิตเข้ามาถึงที่ตั้งของจิตการทวนกระแสจิตเข้ามาถึงที่ตั้งของจิตนั้นก็เรียกว่าเราพยายามที่จะทำให้เป็นมหาสติเราเป็นสติธรรมดาเนี่ยไม่ต้องทวนกระแสเข้ามาก็ได้แต่เราต้องการที่จะให้เป็นมหาคือให้เป็นมหาสติเราต้องทวนกระแสเข้ามา อย่างเราพิจารณาเห็นร่างกายนีย่อันนี้ก็เป็นโครงกระดูกอันนี้เป็นกระกศีรษะหรือว่าอันนี้เป็นกระดูกแขนกระดูกขาว่าไปใครเป็นผู้เห็นอันนี้เราต้องทวนกระแสะมาถ้าเห็นจริงอย่างนั้นแล้วเราต้องทวนกระแสะว่าใครเป็นผู้เห็นเราก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นเมื่อผู้ที่ดำเนินจิตมาถึงขั้นนี้แล้ว ก็จะต้องทวนกระแสอยู่ตลอดจนกระทั่งพบตัวผู้เห็นพบตัวผู้เห็นนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นมหาสติอออยู่ที่นี่เองผู้เห็นนี่มันอยู่นี่เหมืนอนกับไฟฉายอย่างเนี้เราใช้ไปนี่มันมีแสงออกไปแต่ตัวกระบอกไปฉายนั่นน่ะมันมันอยู่ที่ไหนเราต้องตามแสงไปฉายเพื่อตามหากระบอกเมื่อเราได้กระบอกแล้วเราอยากปิดก็ได้อยากเปิดก็ได้ ชั้นใดก็ดีการที่ทวนกระแสะจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นเรียกว่าทิติปูตังหรือเรียกว่าเป็นมหาสติอิ่เที่ยวนี้แล้วการพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายคําว่าวิปัสสนานั้นแปลว่าความรู้แจ้งหเห็นจริงการรู้แจ้งเห็นจริงในวิปัสสนานั้นเราต้องเติมญานะคือยาน ออกอีกคำหนึ่งเ้าเรียกว่าวิปัสนาญาณญาณนั้นก็คือความอย่างรู้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อถึงสุดแห่งความพอเพียงแห่งความต้องการก็เรียกกันว่านิพพิทายานนิพพิทาญานนี้เองที่เกิดขึ้นในระหว่างแห่งวิปัสนา แต่ว่าการที่จะดําเนินจิตมาถึงขั้นที่จะเกิดนิพพยานนั้นก็เรียกว่าไม่ใช่ย่อยแต่เมื่อทําถึงแล้วคู้นั้นก็น่าจะเข้าใจว่าตัวเรานี้มีจิตสูงแล้วโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาแต่งตั้งเมื่อเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมานั้นเราก็อย่าเพิ่งยังอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าอันนี้มันสําเร็จแล้ว ความจริงยังหรอกยังอีกไกลลิดเผียวแต่เพียงว่าถึงต้นทางเ่ะก็พอได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำให้เกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้แล้วนี้เราจะต้องสังเกตและกาหนดดูว่าเราได้ทำอย่างไรเราถึงมาเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้อย่างนี้กาหนดจิตอย่างไรเราทำวิธีไหน เราต้องจำไว้ถ้าเราไม่จำนี่กว่าแต่ที่เราจะทำให้เกิดอีกเป็นครั้งที่สองนี่มันนานเหลือเกินถ้าเราต้องจำแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแล้วมันจะเข้าใจมันจะรู้หนทางเองการที่ดำเนินจิตเป็นวิปัสสนานั้นเป็นสิ่งที่มีในพระพุทธศาสนาแห่งเดียวศาสนาอื่นไม่มี พระเหตุใดพระเหตุว่าวิปัสสนามันเป็นของสูงเป็นธรรมะชั้นสูงของพระสุสนาที่จะสามารถกำจัดกิเลสได้คือการดำเนินวิปัสสนานี้เริ่มต้นแห่งการกำจัดกิเลสที่ตอนที่เป็นสมถะเรียกว่าชำนาญในการเข้าชำนานในการออกชำนานในการตั้งอยู่เป็นสมาธิมีกําลังเข้มแข็ง อันนั้นยังยังยังยังกําจัดกิเลสไม่ได้ยังเพียงว่าละงับกิเลสไว้เท่านั้นเองส่วนวิปัสสนานี้ถ้าทําแล้วก็เริ่มกําจัดแล้ทีนี้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เริ่มกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะนี้ให้อ่อนให้บรรเทาลงแล้วอเริ่มกําจัดสิ่งเหล่านี้คือกิเลสเหล่านี้บรรเทาลงไปได้ และเมื่อจากการบรรเทาก็ไปจกนกระทั่งถึงอริยสัจธรรมก็เรียกว่าถึงแก่การที่จะกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นพระอระหันต์อันนั้นเรียกว่ากระทำให้มากต่อไปซึ่งการดำเนินการเหล่านี้มันเป็นวิสัยของบุคมนุษย์ทั้งหลายจะพากันทำได้ก็ไม่เลือกชั้นไม่เลือกวันนะไม่เลือกคนนั้นจะเป็นเด็ก คนเป็นเป็นสาวเป็นคนแก่หรือเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนหรือเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเป็นชาติดภาษาใดไม่มีการยกเว้นเป็นได้ทำได้ทั้งนั้นทุกคนทําได้สามารถที่จะมาปฏิบัติได้แล้วก็สามารถบรรลุได้ด้วยทุกคนนั่นอย่างในครั้งพุทธกาลอย่างนี้ก็มีนางวิสาขาก็บรรลุอนาถบินจิกาเศรษฐีก็บรรลุ อย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารก็บรรลุผููที่เป็นฆราวาสก็บรรลุเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะบรรลุทําได้นั้นต้องไม่เลือกเพศเลือกไว้ยไม่เลือกชั้นไม่เลือกวรรณะสามารถที่จะมาทําให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันทั้งนั้นต่อไปนี้นั่งสมาธิกันต่อไป